ราชสเวเกผู้ได้รับพระราชทานพระทวารเป็นพิเศษไม่ควรวางใจในพระราชาทั้งหลายพึงเป็นผู้มีสติดํารงตนไว้เหมือนอยู่ใกล้ไฟราชสวเวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้พระเจ้าอยู่หัวจะทรงยกย่องพระราชโอรสหรือพระราชวงศ์ของพระองค์ด้วยบ้านนิคมแว่นแคว้นหรือชนบท ราชสเวสวกควรนิ่งดูก่อนไม่ควรเพชรทูลคุณหรือโทษบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าผู้ได้รับพระราชทานพระทวารเป็นพิเศษลัทธทวารโรและเพททวารังความว่าเราเป็นราชสเวสวกเราไม่ใช่คนเฝ้าประตูแต่ได้ประตูเป็นพิเศษไม่ทรงอนุญาตอย่าพึงเข้าไปแม้ได้ประตูอีก ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจึงเข้าไปคำว่าเป็นผู้มีสติสโตได้แก่เป็นผู้ไม่ประมาทคำว่าพระราชวงศ์ของพระองค์ภาตรังสังวาได้แก่พระราชวงศ์ส่วนพระองค์คำว่าจะทรงยกย่องสำปักคันหาติความว่าในการใด พระราชาตรัสกับสเสวกทั้งหลายว่าเราจะให้บ้านโน้นหรือนิคมโน้นแก่ผู้โน้นข้อว่าไม่ควรเพชรทูลคุณหรือโทษณคเ น, ะนเชกะปาปกังความว่าเป็นสเสวกไม่พึงกล่าวสรรเสริญคุณหรือโทษในการนั้นพระราชาจะทรงปูนบำเหน็จรางวัลให้แก่กรมช้างกรมมะกรมรถ กรมเดินเท้าตามความชอบในราชการของเขาราชสเสวกไม่ควรทัดทานพวกเขาราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ราชสเสวกผู้เป็นนักปราดพึงโอนไปเหมือนคันธนูและพึงไหวไปตามเหมือนไม้ไผ่ไม่ควรทูลทัดทานราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ ราชสเสวกพึงเป็นผู้มีท้องน้อยเหมือนแหลงธนูพึงเป็นผู้ไม่มีลิ้นเหมือนปลาพึงเป็นผู้รู้จักประมาณในโพชนะมีปัญญาเครื่องรักษาตนแกล้วกล้าราชสเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้บรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าไม่ควรทัดทานพวกเขาณนะเตสังอันตรังคัดเฉ ความว่าเป็นราชสเสวกไม่ควรขัดคือตัดลาบผลของคนเหล่านั้นคาว่าเหมือนไม้ไผ่วังโสวาความว่าพึงเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนโอนไปในการที่พระราชาตรัสเหมือนยอดไม้ไผ่ลำที่สูงกว่าทุกลำในกอไผ่ย่อมไหวในคราวที่ต้องลมพัดฉะนั้นคาว่า เป็นผู้มีท้องน้อยเหมือนแล้งธนูจาโปโบูโนทโรความว่าเป็นราชสเสวกไม่พึงเป็นผู้มีท้องใหญ่เหมือนแล้งธนูที่ไม่พองโตฉะนั้นคําว่าเป็นผู้ไม่มีลิ้นอชิวหตาความว่าพึงเป็นผู้ไม่มีลิ้นด้วยการพูดแต่น้อยเหมือนปลาย่อมไม่พูดเพราะไม่มีลิ้นคําว่า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 สเสวกไม่พึงมัวเมาด้วยสตรีบ่อยๆคำว่าซึ่งเป็นเหตุให้สิ้นเดชเตชะสังขยังความว่าเพราะว่าบุรุษเมื่อถึงอย่างนี้ย่อมจะถึงความสิ้นไปแห่งเดชเมื่อสัมผัสซึ่งเหตุให้สิ้นเดชนั้นอย่าพึงมัวเมามากนักคำว่าความกระวนกระวายทะรังได้แก่ความกระวนกระวายแห่งกาย คำว่าความอ่อนกำลังภาลยังได้แก่ความเป็นผู้อ่อนกำลังคำว่าสิ้นปัญญาขีณเมโทความว่าบุรุษผู้สิ้นปัญญาด้วยอำนาจความยินดีด้วยกิเลสบ่อยๆย่อมถึงความเป็นโรคไอเป็นต้นคำว่าไม่มากเกินไปนาติเวลังความว่า พ่อและแม่ทั้งหลายสเสวกไม่พึงพูดมากเกินประมาณในสำนักของพระราชาทั้งหลายคำว่าเมื่อถึงเวลาปัเตกาเลความว่าเมื่อถึงเวลาที่ตนจะต้องพูดคำว่าไม่กระทบกระเทียบอสังคัตโตได้แก่ไม่พูดกระทบกระทั่งบุคคลอื่นคำว่าเพอร์เจอ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 ราชสเสวกพึงเป็นผู้ได้รับคำแนะนำดีแล้วมีศิลปะฝึกฝนแล้วเป็นผู้ทำประโยชน์เป็นผู้คงที่อ่อนโยนไม่ประมาทสะอาดหมดจดเป็นคนขยันราชสเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ราชสเสวกพึงเป็นผู้มีความประพฤติอ่อนน้อมมีความเคารพยำเกรงในท่านผู้เจริญ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 ได้แก่ผู้สมบูรณ์ด้วยมารยาทคำว่ามีศิลปะสิปวาได้แก่ผู้ประกอบด้วยศิลปะที่จะพึงศึกษาในตระกูลของตนคำว่าฝึกฝนแล้วทันโตได้แก่ไม่ใช้ทวารทั้งหกในทางที่ผิดคำว่าเป็นผู้ทำประโยชน์กระตัดโตได้แก่ผู้มีตนถึงพร้อมแล้ว ทั้งวิทยาและจริยาสมบัติคำว่าเป็นผู้คงที่นิยโตได้แก่เป็นผู้มีสภาวะไม่หวั่นไหวเหตุอาศัยยศเป็นต้นคำว่าอ่อนโยนมุทุได้แก่ผู้ไม่เย่อหยิ่งคำว่าไม่ประมทิทอปปมัตโตได้แก่ผู้เว้นแล้วจากความเล่นเล่อในราชกิจที่ควรทำ คำว่าเป็นคนขยันทักโขได้แก่เป็นผู้ฉลาดในการปรนิบัติคำว่าเป็นผู้มีความประพฤติอ่อนน้อมนิวาตะวุติได้แก่มีความประพฤติถ่อมตนคำว่ามีความเคารพยำเกรงสัพปติโสได้แก่ผู้มีปกติอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพ คำว่าที่ส่งมาเกี่ยวด้วยความลับสันหิตุงปะหิตังความว่าทูตที่พระราชาอื่นส่งไปยังราชสำนักด้วยอำนาจรักษาความลับและกระทำความลับให้ปลากฏราชสเสวกเมื่อจะกล่าวกับคนเช่นนั้นพึงกล่าวต่อพระพักพระราชาข้อว่าพึงดูแลแต่เจ้านายของตน พัตตารัญเยบุทิเขยะได้แก่พึงดูแลเอาใจใส่แต่เฉพาะเจ้านายของตนเท่านั้นข้อว่าไม่ควรพูดเรื่องลับในสำนักของพระราชาอื่นนอัญญสะจราชิโนความว่าราชสเสวกไม่พึงพูดเรื่องลับในสำนักของพระราชาอื่น ราชาสเสวกพึงเข้าหาสมาคมกษัมณะและพราหมณ์ผู้มีศีลเป็นพหูสูตรโดยเคารพราชาสเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ราชาสเสวกเมื่อได้เข้าหาสมาคมกษัมณะและพราหมณ์ผู้มีศีลเป็นพหูสูตรแล้วพึงสมาทานรักษาอุโบสถศีลโดยเคารพราชาสเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้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 พึงเข้าหาสมาคมโดยเคารพสักกัตจังปยิรูปาเสยะความว่าราชสเสวกพึงเข้าไปหาบ่อยๆด้วยความเคารพคำว่าพึงสมาทานรักษาอุโบสถศีลอนุวาเสยะได้แก่พึงเข้าจําอุโบสถประพฤต์คำว่าพึงบำรุงเลี้ยงตัปเปยะความว่า พึงเลี้ยงดูด้วยการให้จนพอแก่ความต้องการคำว่าเข้าไปอาสัตชะได้แก่เข้าไปใกล้คำว่ามีปัญญาปัญเยได้แก่ผู้เป็นบัณฑิตอีกอย่างหนึ่งบาลีว่าอาสัตชะปัญหังดังนี้ก็มีคำว่าปัญหาปัญหังความว่า พึงถามถึงเหตุที่เป็นกุศลและอกุศลที่บัณฑิตทั้งหลายพึงกระทำด้วยปัญญาราชาสเสวกไม่พึงทำทานที่เคยพระราชทานในสมณพรามให้เสื่อมไปอนหนึ่งเห็นพวกว น, นิพกซึ่งมาในเวลาพระราชทานไม่ควรห้ามอะไรเลยราชาสเสวกพึงมีปัญญาสมบูรณ์ด้วยความรู้ฉลาดในวิธีจัดการราชกิจ รู้จักการรู้จักสมัยราชสเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ราชสเสวกพึงเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่ประมาทมีปัญญาสอดส่องพิจารณาในการงานที่ตนพึงทำจัดการงานให้สําเร็จด้วยดีราชสเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้บรรดาคําเหล่านั้นคําว่า ที่เคยพระราชทานทินนปุพพังได้แก่ทานวัดที่ตรเตรียมไว้โดยปกติคำว่าในสมณะพราหมณ์สมณะพรามเนได้แก่ในสมณะหรือพราหมณ์คำว่าพวกวณิพกวณิภเกความว่าราชสเสวกเห็นพวกวณิพกมาในเวลาที่พระราชทาน ไม่พึงห้ามอะไรอะไรเลยคำว่ามีปัญญาปัญญวาได้แก่ผู้ประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาสอดส่องคำว่าสมบูรณ์ด้วยความรู้พุท ธ, ธิสัมปันโนได้แก่ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้ไม่บกพร่องคำว่าฉลาดในวิธีจัดการราชกิจวิธานะวิธิโกวิโท ได้แก่ผู้ฉลาดในส่วนเครื่องจัดแจงธาตุกรรมกรและบุรุษเป็นต้นมีประการต่างๆคําคว่ารู้จักการกาลันอยู่ความว่าราชสเสวกพึงรู้ว่าการนี้เป็นการควรเพื่อจะให้ทานการนั้นเป็นการควรเพื่อจะรักษาศีลการนี้เป็นการควรเพื่อจะกระทําอุโบสถกรรมคําว่า รู้จากสมัยสมยันอยู่ความว่าราชเสวกพึงรู้ว่าสมัยนี้เป็นสมัยที่ควรไถสมัยนี้เป็นสมัยที่ควรหวานสมัยนี้เป็นสมัยที่ควรค้าขายสมัยนี้เป็นสมัยที่ควรบำรุงคำว่าในการงานที่ตนพึงทมกัมมะเทเยสุได้แก่ในการงานที่ตนควรกระทา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 ปะสุงเขตตังได้แก่ผงโคและสถานที่หวานข้าวกล้าคำว่าไปคันตวาได้แก่มีการไปเป็นปกติคำว่ารู้ประมาณมิตังความว่าควรตวงให้รู้ว่าข้าวเปลือกมีประมาณเท่านี้แล้วเก็บไว้ในยุ้งช้างคำว่าในเรือนคะเรความว่า พึงนับบริวารชนในเรือนให้หุงต้มพอประมาณเหมือนกันข้อว่าผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลศีเลสุอัสมาหิตังความว่าไม่ตั้งบุตรหรือพี่น้องวงญาติผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลาจารวัตไว้ในตำแหน่งที่มีอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งข้อว่าเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนผ่านไม่จัดว่าเป็นพี่น้อง อังควาหิเตภาลาความว่าคำว่าอังคะพี่น้องนี้ชาวโลกกล่าวหมายถึงความเป็นญาติพี่น้องของมนุษย์ญาติพี่น้องกล่าวว่าองค์าพยบเพราะมีส่วนเสมออวัยวะแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นคนเหล่านี้เป็นผู้ทุศีลเพราะฉะนั้นจึงไม่เสมอกับอวัยวะอันหนึ่ง คนตายที่เขาทิ้งสละแล้วในป่าช้าฉันใดญาติเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรตั้งญาติเช่นนั้นไว้ในตำแหน่งที่มีอำนาจก็เพราะพวกเหล่านั้นย่อมผลานทรัพย์ให้พินาศและผู้ผลานทรัพย์หรือคนจนย่อมไม่ยังราชกิจให้สำเร็จบริบูรณ์ได้คำว่ามาหาถึงสำนักอาศนานังได้แก่ มาถึงแล้วนั่งลงปุคคลเมื่อจะให้พึงให้วัตถุศักว่าอาหารและเครื่องนุ่งหม่มเหมือนให้มัตตกะพัดเพื่อคนตายฉะนั้นคำว่าผู้หมั่นเพียรอุตธานะสัมปันเนได้แก่ผู้ประกอบด้วยความหมั่นเพียรพระาชสวเวกพึงเป็นผู้มีศีลไม่โลภมากพึงประพฤติตามพระราชา ประพติประโยชน์แก่พระราชาทั้งต่อหน้าและลับหลังราชเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ราชเสวกพึงเป็นผู้รู้จักพระราชอัธยาศัยและพึงปฏิบัติตามพระราชประสงค์ไม่ควรประพติขัดต่อพระราชประสงค์ราชเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ราชเสวกพึงก้มศีรษะลงชํมระพระบาท ในเวลาผลัดพระภูษาส่งและในเวลาสงสนานแม้ถูกกลิ้วก็ไม่ควรโกรธตอบราชาสเสวกนั้นควรอยู่ในราชาสำนักได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่โลภมากอะโลโพได้แก่ผู้ไม่ละโมกข้อว่าพึงประพฤตตามพระราชาอนุวัตโตจัดสราชิโนได้แก่ พึงอนุวัตตามพระราชประสงค์คำว่าพึงปฏิบัติตามพระราชประสงค์จิตตัดโถได้แก่ตั้งอยู่ในจิตอธิบายว่าอยู่ในอำนาจแห่งจิตของพระราชาคำว่าไม่ควรประพฤติขัดต่อพระราชประสงค์อสังกุสกวุติสสะได้แก่ไม่พึงประพฤติขัดแย้งกับพระราชาคำว่า ก้มศีรษะลงอโทสิรังความว่าราชสเสวกแม้เมื่อล้างพระบาทพึงก้มศีรษะลงพึงก้มหน้าลงล้างไม่พึงแลดูหน้าพระราชาบุรุษผู้หวังความเจริญแก่ตนพึงกระทำอัญชลีในหม้อน้ำและพึงกระทำประทักษิณแม้นกแอนลมได้ฉะไหนเล่าเขาจักไม่พึงนอบน้อมพระราชา ผู้เป็นนักปราดสูงสุดผู้พระราชทานสมบัติอันน่าใคร่ทุกอย่างให้เพราะพระราชาพระราชทานที่นอนผ้านุ่งผ้าหม่มยวดยานที่อยู่อาศัยบ้านเรือนยังโพคะสมบัติให้ตกทั่วถึงเหมือนมหาเมฆยังน้ำฝนให้ตกเป็นประโยชน์แก่หมูสัตว์ทั่วไปฉะนั้นแน่เจ้าทั้งหลายนี้ชื่อว่าราชวัสดีธรรม เป็นอนุาสา์สำหรับราชสเสวกนรชนประพฤตตามย่อมยังพระราชาให้โปรดปราณและย่อมได้การบูชาในเจ้านายทั้งหลายบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าพึงกระทำอัญชลีในหม้อน้ำและพึงกระทำประทักษิณแม้นกแอ่นลงได้กุมพิมหิอัญชลิงกยิราวายสังวาปิ ปทักษิณังความว่าก็บุรุษผู้หวังความเจริญแก่ตนเห็นหม้อที่เต็มด้วยน้ําพึงทําอัญชลีแก่หม้อน้ํานั้นแม้เพียงแต่นกแอ่นลมเขายังทําประทักษินได้เมื่อเขาทําอัญชลีแล้วทําประทักษินแก่สิ่งเหล่าใดสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่สามารถจะให้อะไรได้คําว่าฉไหนเล่ากิเมวะความว่า พระราชาผู้เป็นนักปราชพระราชทานสมบัติที่น่าใกล้ทุกอย่างเหตุชไหนจึงไม่นามัสการพระราชานั้นเล่าพระราชาเท่านั้นที่พึงนามัสการและพึงให้โปรดปรานคำว่าเหมือนมหาเมฆปัดชุนโนริวะได้แก่ดุดเมฆข้อว่าแน่เจ้าทั้งหลายนี้ชื่อว่าราชวัสดิธรรม เอเสยาราชวัสตีความว่านี่แน่เจ้าทั้งหลายชื่อว่าราชวัสดีที่เรากล่าวแล้วนี้เป็นอนุสาสนีสำหรับราชสเสวกทั้งหลายคําว่าเหมือนยะถาความว่าราชวัสดีนี้อนนรชนประพฤตตามอยู่ย่อมเป็นเหตุให้พระราชาทรงโปรดปราน และเขาย่อมได้รับการบูชาจากสำนักพระราชาทั้งหลายแลวิทุระบัณฑิตผู้มีธุระหาผู้อื่นเสมอเหมือนไม่ได้ได้แสดงราชาวัสดีธรรมสอนบุตรภรรยาญาติและมิตรด้วยพุทธลีลาจบลงด้วยประการชน้แลราชาวัสดีกันจบ